ขนาะวัชพืช น, นี่มันก็ยังไม่ทิ้งโอกาสเลยนะในการที่จะสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ตัวมันเองตอนที่เริ่มพันษาใหม่ๆน้ำในสานนี่ก็ตื่นมากนะเห็นแม้กระทั่งพื้นดินเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่ตอนนี้น้ำในสา ก, ก็สูงขึ้นนะจนกระทั่งนะ ไม่ทิ้งร่องรอยหรือเขาของต้นพันษาเลยอะไรแรงก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรอะก็มีความงอกงาม mm. ร, ะระดับน้ำก็ขึ้นสูงสติปัญญาหรือคุณธรรมในใจเรามันได้เพิ่มขึ้นสูงบ้างหรือเปล่า mm. นะเป็นเวลาเป็นโอกาสที่เราจะได้ตรวจสอบ หรือว่าใส่ถามตัวเราเองมาว่ามันมีความก้าวหน้าขึ้นไหมมีความเจริญงอกงามบ้างหรือเปล่าตอนนี้อาจจะยังตอบได้ไม่ชัดเจนหรือมองเห็นไม่กระจ่างนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็ควรจะมาทบทวนตัวเองเมื่อมีโอกาสถามตัวเองว่า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 อันนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะได้ควรจะเก็บเกี่ยวนะจากการที่เรามาปฏิบัตินะที่นี่มันก็คงมีหลายอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะทั้งนี้เนี่ยนะเพื่อที่เราจะได้มีมีต้นทุนมีสเสบียงสำหรับการที่เราจะได้ออกไปใช้ชีวิต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 บางคนก็อาจจะรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าเวลาในการที่จะปฏิบัติเต็มที่24ชั่วโมงอย่างในช่วงข้าวบรนาคงจะทำได้น้อยลงเมื่อกลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตครองเรือนกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ก็จะลืมที่หลวงพ่อคำเขียนท่านก็พูดอยู่เสมอนะและอัตามาก็นำมาถ่ายทอดอยู่หลายครั้งนะว่า ต้องรู้จักชวยโอกาสต้องรู้จักช่วยโอกา ส, นะกกาสนักปฏิบัตินักภาวนาคือคนที่เก่งในการชวยโอกาสก็คือว่าไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าทำอะไรก็ใช้เป็นการภาวนาได้ทั้งสิน้นกินข้าวอาบน้ำถูฟันล้างจานหัน่นผักทำครัวอันนี้ก็เจริญสติได้เย็บผ้านะก็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 มีเวลากินข้าวไหมมีเวลาอาบน้ำไม่มีเวลาถูฟันไหมถ้ามีเวลาทําอย่างนี้ก็มีเวลาปฏิบัติเหมือนกันใครที่มาถามหลวงพ่อแบบนี้ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาหลวงพ่อเขียนก็จะถามว่าแล้วทำไมมีเวลาโกรธทำไมมีเวลาโมโหทำไมมีเวลาเศร้าไอ้ทีเรื่องแบบนี้มีเวลามากเหลือเกินเวลาเศร้าเวลาโกรธเป็นวันเป็นเดือน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 เช่นมีคนต่อว่ามีคนตำหนิเงินหายเจ็บป่วยงานไม่ประสบความสำเร็จถูกโกงเงินไอ้พวกนี้นี่ถ้าเรารู้ฉลาดนะรู้จักโอกาสนะหาประโยชน์จากมันได้เลยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันสามารถจะเป็นของดีให้กับเราได้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 มันก็จะเสียสุขภาพตามมากินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพย่ำแย่แล้วก็จะเสียงานนะไม่มีอารมณ์ทางานกุ่มหัวกุ่มใจและบางทีก็ระบายอารมณ์ใส่คนอื่นใส่ลูกใส่เมียใส่ผัวใส่เพื่อนสัมพันธภาพก็แย่อีกนะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าโอ้มันมีโทษแบบนี้นะปล่อยวางเลยนะ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 นะรวมทั้งการที่เราต้องตระหนักอีกอย่างหนึ่งนะว่าถ้าากว่าเราจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าสิ่งที่มันเป็นคําตักเตือนคําต่อว่าด่าทอนี่ต้องรู้จักเอามาใช้และจําเป็นด้วยคนเราเนี่ยในะในการทําความดีในการพัฒนาชีวิตจิตใจเนี่ยมันเป็นการทวนกระแส ทวนกระแสกิเลสทวนกระแสสังคมซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนเราจะมีกําลังในการทวนกระแสได้เนี่ยต้องอาศัยกาลยานามิตรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่กาลยานามิตรจะช่วยเราได้นะก็คือคําแนะนําคําทักท้วงคําตักเตือนหน้าที่ของกาลยานามิตรหรือมิตรแท้เนี่ยคืออันนี้ด้วย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 คำว่าปรวาวนานี่มันมีสองความหมายข้อแรกคืออนุญาตให้ขอเช่นโยมปรวาวนากับพระอนุญาตให้ขอได้นะเรื่องอาหารเรื่องภาหนะเรื่องปัจจัยสีอีกความหมายหนึ่งก็คือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อตอนเย็นนี้นะพระทั้งวัดก็มาทำพิธีปรวาวนาก็คือ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 แก้ไขได้เมื่อเห็นว่าผิดพลาดพระสารีบุตรนะเมื่อเห็นคราวหนึ่งนะท่านถูกสามนเณรอายุไม่กี่ขวบเจ็ดปดขวบทักท้วงว่าสบงปล่อยชายต่ําไปหน่อยนะเนรท้วงนะพระสารีบุตรไม่โกรธนะพระสารีบุตรก็พอเห็นก็กลับไปห่มไปนุ่งใหม่ไม่ได้โกรธเนรเลยไม่รู้สึกอับอายเลยว่าเนเนเจ็ดขวบมาว่ามา มาทักทวงเรานะเธอเป็นเนรเธอรู้อะไรนี่ไม่มีในความคิดของภาษาลรบุตรเลยนะท่านก็ยินดีแล้วกลับกลับไปแก้ไขไม่รู้สึกเสียหน้าเพราะท่านไม่มีหน้าให้เสียอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่มีความยึดถือในตัวตนนั่นะนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้านะได้ชักชวนให้องคุลิมานเนี่ยซึ่งเป็นโจรร้ายมาบวชเมื่ อ, องคุลิมามาบวชแล้วเนี่ย ก็พยายามฝึกฝนพัฒนาตนวันหนึ่งก็เดินบินธบาตก็เห็นหญิงแก่เอไมนหญิงแก่หญิงท้องแก่ท่าทางเธอมีความทุกข์มากพระองค์ิคลมานก็อยากจะช่วยเพราะเกิดความเมตตาอยากจะช่วยเหลือแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไปปรึกษาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าให้พูดกับหญิงท้องแก่อย่างนี้ว่า ตั้งแต่อัตมาเกิดมาไม่เคยมีความจงใจที่จะโปรงชีวิตสัตว์ให้ล่วงตกไปเลยขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครังของเธอผู้ชนนีแนะ้แนะนำพระองค์คลิมานพระองค์คลีมานทักทวงนะว่าจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าก็เคยเป็นโจรแล้วก็ฆ่าคนมาเยอะจะพูดว่า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 ที่จริงไอการปรนนธาเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะจํากัดเฉพาะพระนะญาติโยมก็สามารถที่จะทักท้วงพระสงฆ์ได้นะไม่ใช่ว่าทำแล้วจะเป็นบาปนะบางคนมีความเข้าใจแบบสั้นว่าทักท้วงพระแล้วนี่จะเป็นบาปไม่ไม่ใช่เลยนะถ้าทําด้วยความหวังดีนะทำด้วยเจตนาดีทําด้วยเมตตาก็ถือว่าเป็นบุญด้วยซ้ําเป็นประโยชน์ นะหลวงพ่อนั่นก็เคยพูดเสมอนะโดยเฉพาะในช่วงคำมันสาว์เนี่ยก็ปารณากับโยมเอาไว้นะกับแม่ชีด้วยนะว่าถ้ามีอะไรจะทักท้วงนะก็ให้ทําได้เลยนะอาตมาก็เช่นเดียวกันนะก็ก็ขอปารณาในที่นี่นะกับญาติโยงกับอหมู่คณะทั้งหลายว่ากับชาวบ้านด้วยนะว่าถ้ามีอะไรที่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 เพราะว่าการโกรธนั้นเนี่ยก็ถ้ากับว่าทําให้เราเนี่ยโง่กว่าเขาเลวกว่าเขาเมื่อใครต่อว่าด่าทอมานะก็ไม่ควรที่จะตอบโต้ด้วยเหมือนถ้าเราเดินไปในสวนแล้วมีลิงเกเรนี่มันเห็นเราท่านันที่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันอยากจะแกล้งเรามันก็ปลิดมะพร้าวคว้างใส่เรา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 ฝึกใจมีสตินะมันก็ไม่มีความหมายพูดถึงเรื่องของการคำตักเตือนเนี่ยนะผู้ที่ได้ยินคำตักเตือนก็ต้องรู้จักนะต้องรู้จักพิจารณาอย่าด่วนสรุปง่ายๆบางทีเขาตั้งใจดีแนะนำเราตักเตือนเรานะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีสติไปมองแง่ลบ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 จ้วงจาบไม่ใช่เราแต่ว่าคนที่เราเคารพ <c oughs> เช่นพระผพุพทธธรรมพระสงฆ์นะปุจจานี่เคยสอนไว้ว่าแม้กระทั่งคนที่ว่ากล่าวจ่วงจาบพระผู้พระธธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เราหรือพิสูจนทั้งหลายไม่ควรโกรธนะเพราะว่าถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองคือเกิดโทษแก่ตัวเอง เป็นอันตรายอย่างไรก็คือว่าไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือว่าพอโกรธแล้วเนี่ยความโกรก็เผาหล่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนอกจากความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคำพักทวงหรือแม้แต่คำต่อว่าด่าทอแล้วแม้กระทั่งคำจ่วงจาบดูหมินนะหรือพิภพวิจาร์สิ่งที่เรานับถือคือพระตนตรยัยเราก็ต้องหนักแน่นมั่นคงนะ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 ที่ได้ทำรรมาทุกปีทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นการเจริญสติแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจนะว่าถึงแม้จะซึ่งหาเราเพื่ไปนะถ้ามีเวลาก็มาร่วมเดินหรือว่าถึงแม้จะเป็นคาราวากลับไปที่บ้านแล้วมีเวลาก็มาร่วมเดินปีนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางใหม่หมดนะไปป่าโปรงแล้วก็ไปโรงเกษตรสมบูรณ์